ซึ่งโลกนั้นก็ได้มีพระพุทธภาสิทธ์รัดแสดงไว้ว่าอันตันหาก่อให้เกิดขึ้นตันหายะอุ ด, ดิตตโลโกโลกอันตันหาก่อให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ข่อที่ตรัสจำแนกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างจากตันหาจึงแสดงถึงความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ครูรู้ทมทั้งหมดของพระพุทธเจา้าและแสดงถึงทรงเป็น พระภู้ิจำแนกแจกธรรมสั่งสอนได้อย่างถูกต้องแท้จริงคืนได้ตรัสแสดงชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาอันกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลก ทีตันหาก่อขึ้นคือได้ตรัสแสดงไว้ว่าเพราะมีตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากจึงมีการแสวงหาคือมีการแสวงหาสิ่งที่ตันหาทยานอยากเพื่อจะได้ ทายาทอยากเพื่อจะได้อะไรก็แสวงหาสิ่งนั้นทนายอยากเพื่อจะเป็นอะไรก็แสวงหาเพื่อจะเป็นอย่างนั้นทญยาทอยากเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอะไรก็แสวงหาเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เพราะมีตัญหาจึงมีการสแสวงหาและเพราะมีการสแสวงหาก็มีลาบคือการได้มาในเมื่อการสแสวงหานั้นเป็นเหตุให้ได้มาก็ย่อมจะได้ เช่นได้ทรัพย์ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการอันมีคำเรียดเช่นเรียกว่ากรมหรือวัตถุกรามหรือการมมาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรส กฎสัพะสิ่งถูกด้อยสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายได้เป็นนี่ตามที่ทันหาต้องการหรือว่าได้ที่จะไม่เป็นนั่นเป็นนี่หรือที่ให้สิ่งที่เป็นนั่นเป็นนี่ต้องหายไปหมดไป เสิมไปสิ้นไปตามที่ดันหาต้องการเหล่านี้รวมเข้าในคําว่าการได้และเพราะมีการได้จึงมีความปรงใจ ตกลงใจว่าเราได้มาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วและเพราะมีความปรงใจตกลงใจดังนี้จึงมีฉันทะราคะ ความพอใจยินดีความติดใจพอใจอยู่ในสิ่งที่ได้นั้นซึ่งตกลงใจว่าเราได้มาแล้วรับรู้ว่าเราได้มาแล้ว ก็มีความยินดีพอใจมีความพอใจพอใจติดใจหรือติดใจพอใจอยู่ในสิ่งนั้นแต่เพราะมีความพอใจติดใจหรือว่ายินดีพอใจอยู่ในสิ่งนั้น จึงได้มีความสยบติดอันหมายความว่าความพอใจติดใจนั้นทำให้ตน หรือจิตใจของตนสยบอยู่ในสิ่งนั้นติดอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนอย่างวัตถุที่ติดกันอยู่ในกาว มันทำให้มีความสยบอยู่ด้วยความติดและเพราะมีความสยบดูด้วยความติดจึงมีความยึดถือ รวบถืออันหมายความว่าไม่ต้องการที่จะพลาดออกแต่ว่าแถมมีความยึดถืออยู่ในความติดนั้นแปลว่าต้องการจะให้ติดอยู่ ต้องการที่จะให้สยบอยู่ไม่ต้องการที่จะให้พรากพรากออกแม้มีใครมาบอกว่าให้พรากออกเพราะความที่สยบติดอยู่นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ยอมฟังยังยืนยัน อยู่ในความสยบติดนั้นดังนี้คือความที่ยึดถือหรือว่ารวบถือด้วยความสมัครใจสมัครใจที่จะยึดถืออยู่อย่างนั้นและเพราะมีความยึดถืออยู่ดังนี้จึงมีมัชริยะ ที่แปลกันว่าความตนีเหนียวแน่นห่วงแหนและเพราะมีมัจฉิริยะคือความตนีเหนียวแน่นหวงแหนจึงมีอารักขาคือการรักษาด้วยวิธีรักษาต่างๆเป็นต้นว่าต้องมีการถือ ระบองถือท่อนไม้ต้องมีการถือสัตววุธต้องมีการทะเลาะกันต้องมีการแข่งแย่งกันต้องมีการวิวาทกันต้องมีการกล่าวหากัน ว่าท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละหรือว่าเจ้านั่นแหละเจ้านั่นแหละต้องมีการกล่าวสอเสียดต้องมีการกล่าวคำเท็จต่างๆและก็จะต้องมีบาปอกุศลธรรมต่างๆมากมายบังเกิดขึ้น สืบต่อกันไปดังนี้นี้เป็นพระพุธธทธอธิบายที่ตัดจำแนกเอาไว้โดยที่ได้ทรงชี้ให้ทุกทุกคนได้มองเห็นได้ว่าความวุ่นวาย ความทุกข์เดือดร้อนต่างๆที่มีอยู่ในโลกนั้นได้มีขึ้นดังนี้สืบจากตันหาคือความดิ้นรนทยานอยากและเมื่อพิจารณาดูทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆโลกที่ตันหาก่อขึ้นย่อมเป็นไปดังนี้จริงๆ และทุกคนที่มีตัณหาก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้มากหรือน้อยเพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตัดชีแจงไว้นี้จริงเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกจริงๆเพราะเหตุแห่งตัณหา คือความยินดนที่ยานยากและเมื่อรวมเข้าแล้ว <c oughs> ก็รวมเข้าในอุปาทานทั้งสี่นั่นแหละที่จักสรุปเข้าว่าเพราะตัณหามีขึ้นจึงมีอุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายภาวะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายยึดถือทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่เป็นไปตามั้มนาาของตัณหา ยึดถือศิลและวัดคือความประพฤติที่เป็นข้อเว้นและความประพฤติที่เป็นข้อที่พึงทาต่างๆไปตามอำนาจของตันหายึดถือวาทะว่าตัวเราของเรา และก็สืบไปถึงตัวเราของเขาตัวเขาของเขาเพราะเมื่อมีตัวเราของเราก็ต้องมีตัวเขาของเขาคู่กันไปก็รวมเข้าในอุปาทานทั้งสี่นี่แหละซึ่งปรากฏออกไปก็เป็นการระแวงหาเป็นการได้มาในเมื่อได้ เป็นการที่รับเข้ามาว่าเราได้ยุติไปเป็นอย่างอย่างและมีความพอใจติดใจมีความสยบติด มีความยึดถือมีความตรณีเหนียวแน่นและมีอารักขาต่างๆซึ่งต้องใช้กระบองท่อนไม้ต้องใช้ราบุธต่างๆต้องทะเลาะกันแก่งแย่งกันวิวาดกันราวากัน ว่าท่านนั่นแหละหรือว่าเจ้านั่นแหละผิษเป็นต้นต้องพูดสอเสียกันต้องพูดเท็จกันและต้องประกอบบาปอกุศลและทมต่างๆเป็นอนเนกคือไม่น้อยมากมายก็สืบเนื่องมาจากตันหาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ดังนี้แหละดังนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นตามที่ทรงจำแนกไว้นี้จึงเป็นข้อที่พึงพิจารณาและเมื่อพิจารณาดีแล้วก็จะทำให้จิตใจนี้เห็นโทษของตัณหาเห็นโทษของอุปาทานในการในเพ่งพิจารณาก็ต้องใช้สมาธิ ในสิ่งที่เพ่งพิจารณ า, านั้นปัญญาที่ได้มาจากความเพ่งพิจารณ า, าก็เป็นปัญญาและเมื่อเป็นปัญญาขึ้นดังนี้ปัญญานี้เองก็จะทำให้เกิดการละได้การสละได้ดังที่ท่านประเทระได้ แสดงไว้ว่าสัมมาทิทิความเห็นชอบก็คือความเห็นตรงเห็นถูกต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมอัน นำมาสู่พระธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้เป็นเหตุละราคาอนุสัยอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่อง ในจิตสันดานคือราคะความสิดิจยินดีบรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งอันเป็นต้นของความโกรธแค้นขัดเคืองโทสะพยาบาททั้งหลายและถอนอนุสัยคือทิฏฐิมาณะว่าตัวเราของเรา เป็นเหตุให้ละอาวิชาทำวิชาให้บังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นยึงนำให้กระทําที่สุดของทุกได้ความที่ได้พิจารณาให้มองเห็นตามเป็นจริงตามที่ตรัสไว้นี่แหละคือธรรมาที่ถีความเห็นชอบในแต่ละข้อและที่ตรัสแสดงไว้นี้ ก็เป็นข้อที่จะพิจารณาเห็นตามไปได้จริงเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นไปอยู่จริงในโลกนี้ซึ่งทุกๆคนก็อยู่ในโลกนี้โดยตรงก็อยู่ในจิตใจอันนี้นี่แหละของทุกๆคนซึ่งทุกๆคนก็มีจิตใจอันนี้อยู่มีตัณหามีอุปาทานอยู่และมีความเป็นไปต่างๆอยู่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 ข้อสัมมาทิทฐิความเห็นชอบตามประเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรมาโดยลำดับจะได้แสดงต่อไปในข้อว่าพระอุปาทานเป็นปัจจัย เกิดพบพบนั้นก็คือความเป็นความมีอันได้แก่การมาพบรูปประพบอารูปประพบเพราะมีความยึดถือซึ่งเป็นอุปาทาน จึงมีพบความเป็นความมีพบอย่างละเอียดก็คืออัศมิมาณนะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นยึดถือในสิ่งใด ก็เกิดเป็นความมีความเป็นคือเป็นเราสืบมาถึงเป็นของเราขึ้นในสิ่งนั้นยึดอยู่ในกามก็เป็นเราขึ้นในกามก็เป็นกามปาพบยึดในรูปก็เป็นเราขึ้นในรูปเป็นรูปประพบ ยึดในอารูปก็เป็นเราขึ้นในอารูปเป็นอารูปปภพเพราะฉะนั้นเมื่อมีอุ ป, ปาทานคือความยึดถือจึงมีภพและเมื่อมีภพจึงมีชาติคือความเกิดเพราะว่า เมื่อมีเราในกนดีในรูปกนดีในรูปกนดีก็มีชาติคือความเกิดขึ้นแห่งเราอันชาติคือความเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีเป็นชาต ขึ้นแล้วก็ต้องมีชรามีบรณะมีโศกะความโศกปริเทวะความรันจวนร่ำครวนใจเป็นต้นเป็นอันวัตถุทั้งหมดก็เกิดขึ้น ตรงนี้ได้มีพระพุธธทธทธิบายขยายชาติคือความเกิดตกไปตรงที่ต้องทรงต้องการที่จะชี้ว่าเมื่อมีชาติคือความเกิดก็มีชรามรณะ หากไม่มีชาติคือความเกิดก็ไม่มีชราบารณะดังที่ได้ตรัสถามพระอรนุนว่าชาติคือความเกิดคือความเกิดของมนุษย์ ความเกิดของเทพโดยความเป็นเทพความเกิดของคนทันโดยความเป็นคนทันความเกิดของยักษ์โดยความเป็นยักษ์ความเกิดของพุทโดยความเป็นพุทความเกิดของมนุษย์ โดยความเป็นมนุษย์ความเกิดของสัตว์สี่เท้าโดยความเป็นสัตว์สี่เท้าความเกิดของนกโดยความเป็นนกความเกิดของงูสัตว์เลื้อยคลานโดยความเป็นงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานหากว่า ไม่มีความเกิดแห่งเทพเป็นต้นเหล่านี้ขึ้นจะมีชรามรณะหรือไม่ท่านพระอนต์นก็กลาบทูลว่าไม่มีในเมื่อมีความเกิดแห่งเทพเป็นต้นดังกล่าว ยังมีมรณชรามราณะใช่หรือไม่พระนอนุลก็กลับทูลว่าใช่ดังนี้ตามที่อธิบายมาตั้งแต่อาสวะอวิชชาจนถึงชรามราณะนี้เป็นการแสดงอธิบายเพื่อให้ เพื่มต่อว่าเป็นปัจจัยของกันมาโดยลำดับอย่างไรในข้อสมาธิินี้ท่านพระสาธิบุตรจับแสดงไปทีละข้อเป็นอริยสัจสี่ไปทีละข้อ คือให้รู้จักชรามรณะให้รู้จักเหตุเกิดแห่งชรามรณะคือชาติให้รู้จักความดับชรามรณะคือดับชาติให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชรามารณะคือมั่งมิองค์แป ท่านแสดงให้รู้จักชาติคือความเกิดให้รู้จักเหตุเกิดแห่งชาติคือพบให้รู้จักความดับชาติก็คือดับพบให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับชาติก็คือมรรคมนองค์8 ท่านแสดงให้รู้จักพบให้รู้จักเหตุเกิดพบคืออุปาทานให้รู้จักความดับพบก็คือดับอุปาทานให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับพบก็คือมรรคมนองค์แปดท่านแสดงให้รู้จักอุปาทาน ให้รู้จักเหตุเกิดแห่งอุปาทานก็คือตัณหาให้รู้จักความดับอุปาทานก็คือดับตัณหาให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็คือมักงมิองแปดท่านแสดงให้รู้จักตัณหา